บุกท <Book> <18. S 3> ูสิบแปดการทำความสะอาดบ้านวันนี้เป็นวันเสาร์สวันนี้เรามีเวลา วตวันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ดิอมีปูริการ a สลาโลเจดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำมีปูริรัสลาบ้นชมรสามีของดิฉันกำลังล้างรถ m ีเอโดลาวา la า เด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดรถจาักรายานคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไมเก้เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขาดิฉันกําลัดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้าดิฉันกำลังตากผ้า ดิฉันกำลังรีดผ้ามีเอ็นดัสแ a ะเซกินกลัดผ้า a v i t a จอ n หน้าต่างสกปรก la f e n e s t r รย์เอตัสมัลพูไพื้นห้องสกปรกลาพลังโกเอตัสมัลพูรา จานชามสกกระบอกใครเช็ดหน้าต่างใครดูดฝุ่นิใครล้างจาน